สัมผัสของเขาเริ่มทำงานอีกครั้งแวววเสียงพูดแท้ซ้าไม่ได้สับครั้งแรกมันแวววมาไกลแสนไกลก่อนต่อมาก็ค่อยๆสดับได้ชัดเจนเป็นลำดับจนกระทั่งรู้สึกว่ามันดังด้วยสำเนียงเร่าร้อนอยู่ร อ, รอบๆกายห น, น้าบัดนี้สัมผัสแรกรู้สึกว่าร่างกายนอนราบอยู่กับพื้นที่ปูพลาสติก มีใครประคองทางด้านศีรษะไว้ตามข้อมือหน้าอกและใบหน้ามีอยู่หลายต่อหลายมือกำลังยุ่งลูกคำตรวจสอบกันพลลวันไปหมดเสียงพูดสอบซักถามกันเองโตตอบไปมาอย่างรวดเร็วจนฟังไม่ได้สักแต่สำเนียงสำเนีกได้ว่าเป็นน้ำเสียงที่พูดจากันอยู่ด้วยความตื่นตระหนกเร่งด่วนคุณน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะ ระบบทำ ง, งานของหัวใจความดันโลหิตและอื่นๆทุกอย่างก็ดีขึ้นเกือบจะเป็นปกติแล้วแม้ว่าครั้งแรกชีพจรจะเต้นอ่อนก็ตามเสียงเร็วปรีนั้นจำได้ว่าเป็นเสียงของหมอเบลอะลองตรวจดูตามผิวหนังให้ละเอียดซิมีรอยไหมพองหรือมีร่องรอยของอันตรายอะไรบ้างหรือเปล่าชันห็นมันโผล่หัวเข้าไปใกล้เขามากที่สุดและขณะนั้นความร้อนในตัวมันสูงมากเหลือเกิน ร้อนผิดปกติยิ่งกว่ากองไฟธรรมดาใช่ไหมันไม่แน่ใจว่าจะมีสารพิษประเภทกรดอะไรแผ่ออกมาด้วยหรือเปล่าขณะที่มันเคลื่อนเข้าไปใต้เขาน้ำเสียงรัว ร, ร่ำละลักซอยเร็วปริ์พอๆพอกันที่สวนประโยคขึ้นมาคือเสียงของคริสตินะ่าแล้วแขนขาร่างกายของเขาก็ถูกถลกเสื้อผ้าที่ปกคลุมอยู่ออกกรวดทุกดูหมดทุกด้าน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 เขาก็รู้สึกได้ว่าส่วนศีรษะคงจะพาดอยู่กระตับของเชิดวุธเพราะเจ้าของตัดใช้ฝ่ามือทั้งสองประคองเหวี่ยงใบหน้าเขาไปมาอย่างเบาๆพร้อมทั้งกระซิบเรียกอยู่ตลอดเวลาใกล้ๆหูว่ะพี่พี่เป็นไงมั่งพี่ตอนนดิพี่เป็นเสียงของความห่วงใยปริวิตกจิแม้กระทั่งรองเท้าของเขาทั้งสองข้าง ว่าถูกใครในจํานวนพักพวกที่รุมล้อมอยู่เหล่านั้นถอดออกและตรวจ ด, ดูขณะนี้ได้ยินแต่เสียงพูดกันแซดของนายจ้างอเมริกันทุกคนซึ่งคงจะมารุมอยู่ใกล้ชิดเขาในขณะ น, นี้แต่ไม่ได้ยินเสียงของพรานคู่ใจทั้งสี่หรือพวกลูกหักอันเข้าใจว่าคงจะมุงอยู่ห่างออกไปรพินต้องการจะลืมตาและลุกขึ้นมาในทันทีนั้นแต่มันช้าดี ไปหมดขยับขยื่นยังไม่ได้แม้แต่เสียงที่จะบอกให้พวกนั้นทราบว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่ได้เป็นอะไรมากเสียงที่ผ่านลำคอออกมาก็ยังไม่มีปกติทุกอย่างไม่มีรอยไหมพองหรือสัญญาณอันตรายอะไรจากผิวหนังภายนอกเลยเสียงนายคิดร้องบอกทุกคนแล้วทำไมเขาถึงนอนหมดสติ ปลุกไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ล่ะเบนทำอะไรสักอย่างก็ได้ให้เขาได้สติขึ้นมาฉันคิดว่าเขาอาจจะช็อกหรือเป็นลมไปถ้าหากว่าคริสตินา่าบุญคำและจันต้ายืนยันได้ว่าขณะนั้นมันไม่ได้ฉกกบหรือทำอันตรายเขาแต่เอ๊รอยบาดแผลมันก็ไม่ปรากฏอยู่เลยนี่นะเสียงเ้าๆที่เขาได้ยินแทรกเสียงอื่นๆขึ้น เป็นเสียงของด็อเตอร์สแตนลีหัวหน้าคณะรู้สึกคล้ายๆกับว่าใครคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดเขาที่สุดในกลุ่มนั้นผลักวู้ไปแต่แล้วก็ได้ยินเสียงของบุญคำเป็นครั้งแรกร้องห้ามมาว่าแมมเบไม่ต้องฉีดยาหรือทำอะไรให้นายรบพินทั้งนั้นเนี่ยะเดี๋ยวแกก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองแหละมาไอ้จันไอ้เกิด ไอ้เซยช่วยกันนวดตามแขนขานายให้เลือดลมเดินสะดวกสะหน่อยเดียวเท่านั้นแหละมีเสียงพูดหรือถกเถียงอะไรกันแซ่อีกแล้วก็รู้สึกว่าทั้งแขนขาของเขาถูกนวดเฟ้นเป็นการใหญ่จากฝีมือของพรานพื้นเมืองคู่ใจทั้งสี่คนซึ่งคงจะมารุมมาต้องอยู่รอบกายเขาเต็มไปหมดและมีเสียงบุญคำพูดลงเลงเอะอทะเลาะกับอิสเบ เกี่ยวกัหล่อนพยายามจะให้ฉียากระตุ้นประสาทบำรุงหัวใจกับเขาแต่ตาพรานเท่าห้ามปรามขัดขวางเต็มที่พรานใหญ่ผู้บัดนี้รู้สึกตัวโดยตลอดแต่ยังนอนขยับขยืขย่นเคลื่อนกายไม่ได้สำรวมจิตภาวนาเพื่อเรียกพลังและขับไล่ความเจ็บปวดทั้งมวลออกไปทันที ขมิโตเยนะสัทธัมโมคามาปิโตสเสมหวกตังขัดชะมานุสิวังธรรมังคัมยันยัง น, น, นมามิมิหังพระองค์ทรงบรรณุถึงพระสัทธธรรมพระองค์ ทรงช่วยให้มนุษย์และเทวดาได้บรรลุถึงสัจธรรมพระองค์เสด็จไปนธรรมคือพระนิพนานพระองค์ทรงช่วยให้คนคนอื่นถึงด้วยข้าขอนมัสสักการ ภาวน า, วนาครบครบสามข้ า, าแขนทั้งสองเริ่มยกขึ้นได้ยกขึ้นพนมจบที่หน้าผากลูบไปที่ใบหน้าและลูบที่แขนทั้งสองข้างท่ากลางอาการชะงักตะลึงและนิ่งสงบไปหมดของทุกคนที่รุมล้อมอยู่รอบกายในขณะนี้จากนั้น ระพินไพวันก็ลืมตาพโพลงขึ้นพร้อมทั้งดึงกายขึ้นนั่งทันทีด้วยพลังกายที่กลับฟื้นคืนมาแม้จะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างละเหียอิดโรยคณะทั้งหมดมองจับมาที่เขาเป็นตาเดียวในบัดนี้ระพินพบว่าขณะนี้เขานั่งอยู่ในที่พักนอนของฝ่ายนายจ้าง เชิดวุฒประคองอยู่ทางด้านหลังบุญคําจันเกิดและเสยกกำลังทําหน้าที่นวดขยาอยู่ใกล้ๆตัวลืมตาค้างสีหน้าเต็มไปด้วยความปิติยินดีเบนยังถือหลอดยาฉีดค้างอยู่ในมือโดยมีมือข้างหนึ่งของบุญคํายืยุยดค้าชงักอยู่ในจังหวะนั้นคริสตินา่าคุกเข่าอยู่ใกล้ๆ ยังมีหูฟังของแพทย์คล้องติดคออยู่ส่วนสตารีและคิดอยู่ทางด้านปลายเท้าของเขาห่างออกไปเล็กน้อยอูทะพาโต้และพวกลูกหาดทุกคนนั่งบ้างยืนบ้างรายล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งนายจ้างและพวกพื้นเมืองทุกคนอูทานเรียกเขาออกมาเป็นเสียงเดียวกันหมด เพียงแต่ว่าฝ่ายนายจ้างเอย่ยนามของเขาส่วนพวกพรานและลูกหากเรียกว่านายทุกคนสบายใจได้แล้วครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากนักแลวและเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเป็นปกติเกือบจะเหมือนเดิมนล้วละนั่นเป็นประโยคแรกที่ระพินเอ่ยขึ้นแหบๆกับทุกคนพร้อมกับพยายามจะยิ้มให้มหัศจันจริงๆมันเป็นไปได้อย่างไงเนี่ย เสียงเบนอุทานลั่นออกมาแล้วบัตรนั้นฝ่ายนายจ้างทุกคนก็ฮือกันเข้ามาประชิด ต, ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งระพินคุณรู้สึกเป็นยังไงมั่งหละ่ะตอนนี้หัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เขยา่าแขนเขาถามโดยเร็วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกผมแค่หน้ามืดหมดสติไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นว่าแต่เขาเหลียวมองไปรอบๆ แล้วเงยดูท้องฟ้าที่ยังเป็นราตรีอยู่พระจันทร์ข้างแรมทำองศาบ่ายต่ำไปทางทิศตะวันตกมากแล้วนี่ผมไม่รู้สึกตัวไปนานสักเท่าไหร่ล่ะครับนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดนาทีเห็นจะได้อะนะคริสบุญคำแล้วก็จัน์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่สุดบอกว่าเห็นคุณเป็นลมพับแน่นิ่งไปเพราะไอสัตว์ประหลาดนั่นลไปแล้วก็ช่วยกันหามอาคุณขึ้นมา พอดีกับที่พวกผมบนนี้วิ่งสวนลงไปเราก็เลยเอาคุณมาแก้ไขบนเนี้สแตนลีย์บอกรัวเร็วลิ้นพันกันอยู่เช่นนั้นจอมพรานยกมือทั้งสองขึ้นรูปหน้าอีกครั้งแล้วมองไปที่คริสติน่าซึ่งจ้องเขาคำแหงอยู่รวมทั้งบุญคำและจัน์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ใกล้ชิดที่สุดคริสตอนที่ผมผลักคุณให้เข้าไปหลบอยู่กับบุญคาแล้วก็จัน พร้อมทั้งสั่งไม่ใครยิงปืนขึ้นเลยอ่ะมีใครยิงบ้างไหมคริสติน่ากระเดือกน้ำลายลงคอฝึดฝืหล่อนกำลังอยู่ในภาวะสับสนแทบจะจับต้นชนปลายยังไม่ถูกเช่นกันบุญคำก็บอกลั่นมาว่าอีตอนนั้นนะ่ะแมมคริสจะยิงให้ได้เชียวก็ตอนที่มันชะโงกหัวก็ไปหาหนายแต่บุญคำปล้ำจับปืนเอาไว้ไม่มีใครยิงมันไปเลย ตอนนั้นพวกข้างบนก็ยังแล่นลงมาไม่ถือไงใช่ใช่ตอนนั้นบุญคํากระจันร์ช่วยกันล็อกฉันไว้ตัวแข็งกระดิกไม่ได้ทีเดียวทางด้านเราก็ถูกไอร้อนแผดจ้าเข้ามาแทบทนอยู่ไม่ไหวนึกว่าต้องตายกันหมดแล้วพวกเราสามคนเห็นมันชะเง้อคอมองดูคุณอยู่สักอึดใจตอนนั้นแหละคุณฟุบลงไปแล้วหละ่ะแต่มันก็ไม่ได้แสดงอาการดุร้ายอะไรทั้งสิน้น เพียงแค่มองดูคุณแล้วก็เบนหัวมาที่เรานิดหนึ่งเท่านั้นจากนั้นมันก็เลื้อยช้าๆผ่านไปตามทางเดินระหว่างหมู่หินบ่ายหน้าลงไปจากเขาพอมันรับตัวหายไปแล้วพวกเราก็วิ่งไปที่คุณเห็นนั่งฟุบอยู่ก็ช่วยกันแบกขึ้นมานี่แหละระพินถอนใจเขือนขอบคุณพระเจ้าที่คุณทึืพวกเราคนใดไม่ได้ใช้ปืนยิงไปที่มันเลย ตามที่ผมสั่งไว้เราทั้งหมดปลอดภัยแล้วล่ะครับตอนนี้รับรองได้ว่าเฉพาะบนเขาอินรีที่เราขึ้นมาพักอยู่นี่จะไม่มีอะไรอีกพ้นเคราะห์กันไปอีกเปลาะหนึ่งแล้วพวกเราไม่เข้าใจที่คุณพูดนะระพินคิดร้องขึ้นระหว่างนอนหลับกันอยู่อะพวกเราวันนี้ได้ยินเสียงตะโกนอะไรโวยวายเอะอากันอยู่ที่บ่อโคลนเดือดน่ะ ก็ตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมหมดทุกคนไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวตัวในบ่อโคลนดังโครมครามโครมครามสนั่นทีเดียวกว่าจะรวมกันได้กว่าจะวิ่งลงไปยังต้นเสียงที่มาก็พบว่าคริสบุญคำแล้วก็จันกำลังช่วยกันหามคุณร่องแรงร่องแรงขึ้นมาสอบถามก็ยังไม่ได้ความแน่ชัดนะักว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้คร่าวๆแต่เพียงว่า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 ระพินอึ้งไปชั่วขณะคริสในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นแผ่วต่ำแลไปยังคริสติน่าผู้หน้าซีดขาวราวกระสบและกายยังสันเทิมอยู่เช่นนั้นตอนนั้นคุณและบุญคํากัดจันหลบอยู่อีกมุมหนึ่งพอจะมองเห็นมันได้ถนัดไหม สำหรับผมก็เห็นเฉพาะแค่ส่วนหัวที่มันชูขึ้นมามองผมเท่านั้นแหละแม่ผมทองมีอาการผ่าอืดพออ่าอมและอกสันขวัญแขวนยังไม่หายแต่หลอนก็ใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นว่าเขาฟื้นขึ้นมาโดยไม่ได้รับอันตรายอะไรพูดออกมาอย่างยากเย็นที่สุดฉันก็เห็นเท่าที่แสงจันร์จะส่องให้เห็นได้เท่านั้นแหละพระบุญคํากับจันทน่ะไม่ยอมไม่ชั้นฉายไฟ หรือทําอะไรทั้งสิ้นเขาปฏิบัติตามคําสั่งครั้งสุดท้ายของคุณอย่างเคร่งครับที่สุดสภาพที่ฉันเห็นขนาดนั้นขณะที่มันเลื้อยจากบอ่อโคลนเดือดรงมาที่คุณท่านยาวๆอีกส่วนหนึ่งของมันนะยังจมอยู่ในบอ่อโคลนพอมันเบนหัวเลื้อยพละลงไปส่วนที่จมอยู่ในคโคลนตามขึ้นมาด้วยลําตัวมันยาวเหมือนงู แต่มีลักษณะผิดแปลกไปจากงูมั่งเล็กน้อยตรงที่มีส่วนอวบมากกว่าซึ่งไม่ได้อัตราส่วนกับความยาวประมาณ15หถึง18ดหลามีสองขาสั้นๆอยู่ตรงส่วนหน้าถัดจากคอลงมาเล็กน้อยแล้วก็อีกสองขาสั้นๆเท่ากันอยู่ใกล้ๆกับส่วนปลายหางลักษณะมันน่าเกลียดน่ากลัวมากครั้งแรกมันใช้ขาสั้นๆ มันไม่ได้ส่วนกระลำตัวนั่นเดินพยุงร่างไปแล้วต่อมามันก็หดขาสั้นลงแน่พื้นเลื้อยช้าๆไปในอาการเดียวกับงูเท่าที่ฉันเห็นมันเดินก็ได้ถ้าต้องการเดินแล้วเลื้อยก็ได้ถ้าต้องการเลือ้อยโดยใช้วิธีหดขาพับลงเช่ไโอ้พระเจ้าฉันไม่คิดฝันว่าจะได้เห็นตัวสัตว์อะไรที่มันรูปร่างแปลกประหลาด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 เป็นรอยไหม้ดำเกรียมเรากับใครมาลากซุงที่ติดไฟลุกโชนให้ผ่านไปตามแนวทางนั่นฉันฉันอธิบายอะไรได้มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วละ่ะมันสับสนไปหมดเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายอย่างนั้นแหละราพินทุกคนฟังด้วยอาการตะลึงงันเพราะก็เพิ่งจะมาได้ยินคริสติน่าเล่าโดยละเอียดเอาเดี๋ยวนี้เองจอมพานหันไปทางพรานคู่ใจซ้ายฝาของเขา ที่ร่วมอยู่ในเหตุการ์ด้วยมองหน้าเหมือนจะถามทั้งสองก็พยักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่นายรูปร่างมันเหมือนอย่างที่แมมคริสบอกกแหละนายคิดพูดพูดและฟังภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ได้น้อยกว่าทุกคนได้รับคำอธิบายจากเบลตามคำบอกเล่าของคริสติน่าที่พูดกับระพินไอเสือนั่นตาเหลือกอุทานออกว่า นรกนี่มันสัตว์ในแดนสุนญยานี่ว่ะถ้าคริสตาไม่ฟาดอะ่ะก็นายไม่รู้เหรอคิดขณะนี้นะ่ะเรามาอยู่ในดินแดนอะไรแล้วเชิดบุตรบอกมาด้วยเสียงแหบเหือดทุกคนหน้าเหลือสองนิ้วแม้จะไม่ได้มีโอกาสเห็นเองกับตาแต่จากคำบอกเล่ายืนยันของคริสตินาบุญคำและจัน แต่ละคนก็แทบลืมหายใจเขาอ่อนกันไปหมดทุกคนทราบแล้วใช่ไหมครับว่าก่อนจะเกิดเหตุขึ้นนั้นมันไปยังไงมายังไงผมคริสตินาบุญคำแล้วก็จันถึงได้ไปอยู่ตรงบ่อโคลนเดือดนั่นในที่สุดระพินก็ถามไปยังทุกคนของฝ่ายนายจ้างคริสก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วล่ะ เขาบอกว่าเขานอนไม่หลับก็เลยเดินลงไปพิจารณาดูที่บ่อโคลนนั่นส่วนคุณบุญคําแล้วก็จันเดินตามลงไปด้วยก็เห็นบอกว่ายืนคุยอะไรกันอยู่ครู่เดียวอะ่ะริมปากบอก่อไอ้ตัวไฟนะั่นมันก็โผล่พรวดขึ้นมาหัวหน้าคณะบอกแต่นี่คุณคุณยังไม่ได้บอกพวกเราเลยนะว่ามันเป็นสัตว์อะไรประเภทไหนและพฤติการของมันทาไมถึงได้พิสดารแบบนั้น โผล่ขึ้นมาจากบอกโคลนเดือดยื่นหน้ามาแค่ดูคุณแล้วก็เลื้อยลงไปเฉยๆเดยไม่ได้ทำอะไรคุณหรือพวกเราในบริเวณใกล้เคียงเลยส่วนคุณก็สั่งกำชับไม่ให้อีกสามคนยิงหรือฉายไฟใดๆทั้งสิ้นเบลถามมาบ้างอย่างเต็มไปได้วยความงงงันกังขาพรานใหญ่เริ่มพบกับความอึดอัดหนักใจอีกครั้งจนปัญญาจริงๆ ในการที่จะอธิบายอะไรให้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันเข้าใจได้หันมองไปทางสมุนคู่ใจซ้ายฝาซึ่งทั้งสองพรานก็กระพริบตาปริบๆสีหน้ายากที่จะปั้นมองมาที่เขาก่อนแล้วพอสบตาบุญคำก็เบะปากพึพมพำเบาๆบุญคำก็นึกแล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยคืนนี้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 พวกนายฝรั่งเขาไม่รู้นายก็บอกเขาเองเหอะว่ามันตัวอะไรพวกเขาก็มีแมมคริสคนเดียวเท่านั้นที่เห็นอย่างที่เราเห็นนอกนั้นเขาลงไปไม่ทันหรอกมันไปซะก่อนแล้วระพินถอนใจยาวอีกครั้งพยายามจะบายเบี่ยงผมอยากให้เหตุการณ์ประหลาดในคืนนี้มันผ่านไปเหมือนความขวัญของพวกเราทุกคน ไม่ดีกว่าเลยครับอย่าไปสนใจอะไรอีกเลยลืมมันไปเหอะผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ชนิดเดียวกันอี่ซ้ำอีกครับทุกคนที่ไม่เห็นก็อาจลืมได้นะคุณแต่ฉันสิฉันสิลืมไม่ได้เพราะฉันอยู่ร่วมในเหตุการณ์แล้วก็มองเห็นชัดๆอยู่กับตาสองข้างนี่คริสติน่าร้องขึ้นเบา ชี้ไปที่ดวงตาของตนเองระหว่างที่เขานั่งนิ่งหัวหน้าคณะก็ถามเสียงสูงขึ้นมาอีกว่าทำไมละ่ะดาพินมันมีอะไรที่คุณพูดหรืออธิบายพวกเราเข้าใจไม่ได้หรือเกี่ยวกับสัตว์ปลาดตัวนั้น ah, ผมก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงถึงจะให้พวกคุณเข้าใจได้แล้วก็ผมก็ลำบากใจจริงๆนะเอาว่า พวกเราไม่มีใครได้รับภัยอันตรายร้ายแรงเราก็ควรจะพอใจแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะพบเห็นหรือรเผชิญการอะไรต่อไปในเส้นทางข้างหน้าธรามัวแต่จะคิดค้นหาที่มาหาเหตุผลพวกคุณจะยิ่งปวดหัวแล้วก็อาจเป็นบ้าตายซะก่อนแต่ระพินฉันว่ามันตรงข้ามนะแต่คุณไม่บอก เพื่ออธิบายกับพวกเราเนี่ยพวกเราจะยิ่งบ้ากันไปใหญ่คุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าสิ่งที่คุณบอกมานนั้นมันจะผิดหลักเกณฑ์ผิดทฤษฎีของพวกเราอะไรทั้งสิน้นเรารับฟังได้เสมอแหละขอให้คุณบอกให้รู้มั่งเท่านั้น <c oughs> ก็นไหนสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณจะไม่มีอะไรปิดบังเราแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็ชัดเจนเหลือเกิน อิสเบนกล่าวเป็นเชิงขยันขยอขอร้องเข้ามาตัวหล่อนเองน่ะถึงจะไม่ได้เห็นกระตาแต่เพียงฟังคริสตเล่าให้ฟังเร็วปรือขณะที่พบกันก่อนที่ระพินจัดได้สติฟื้นขึ้นมาแม่ผมแดงก็แทบจะช็อกอยู่แล้วพี่บอกพวกเราตามที่พี่รู้ก็แล้วกันว่ามันเป็นอะไรเชิดบุตรจับแขนเขาเขย่าเบาๆขอร้องมาอีกคน ระพินมองหน้านายทหารรุ่นน้องแล้วถามว่าหลวงพ่อทวดยังอยู่หรือเปล่าครับอยู่นี่ครับอีกฝ่ายตบที่ตัวเองอกตัวเองเพื่อความแน่ใจอีกครั้งดีแล้วย้ายห่หางตัวเปน็นอันขาดนะคุณแล้วก็ภาวนาไว้อย่าให้ขาดโดยเฉพาะก่อนนอนไม่ว่าที่ไหนก็ตามรับรองได้ว่าเฉพาะตัวคุณน่ะ แล้วคลาดปลอดภัยแน่แล้วก็ถ้าจะมีรายการพิเศษอะไรแล้วก็ขอร้องครับอัญเชิญท่านออกจากคอซะก่อนแล้วกันเขากระซิบแล้วมองไปทางนายจ้างอเมริกันของเขาทุกคนเอาละครับพวกคุณยอมเชื่อกันแล้วหรือยังละครับว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับที่พวกเรายังเรียนรู้ไปไม่ถึงอีกมากมายนัก ครั้งแรกเราก็ปฏิเสธในทฤษฎีนี้นาราพินแต่บอกตรงๆแค่เดินร่วมทางมากับคุณไม่กี่วันเท่านั้นเราก็เริ่มลังเลแล้วละ่ะเพราะเราได้พบเห็นอะไรที่เราไม่คาดคิดและไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เกิดขึ้นกับพวกเรานับครั้งไม่ถ้วนแล้วสเตนลีย์อันเป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างกล่าวขึ้นอย่างไตรตรองลึกซึง้งและด้วยเสียงที่หนักแน่น ตามองจับอยู่ที่ระพินไม่กะพริบครับแล้วก็ในโลกที่เราอยู่เนี่ยยังมีโลกอีกหลายๆโลกแฝงเงาซ้อนอยู่ครับอย่างน้อยก็เป็นโลกของมิติที่สี่ที่ห้าและก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันสุดแต่ว่าการเวลามันจะมาประจวบเหมาะสมพงกันขึ้นเมื่อไหร่โลกที่เหนือไปจากโลกทางภูมิศาสตร์นี่ ก็จะปรากฏออกมาให้เราได้พบเห็นแม้ว่ามันจะไม่บ่อยนะักหรือบางทีตลอดทั้งชีวิตของเราแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้ผ่านพบเลยจนทำให้คิดไปว่าโลกที่เหนือกว่าหรือต่ำกว่าที่เราอาศัยอยู่นี่ไม่มีอเมริกันทั้งสี่มองดูหน้ากันเองด้วยความรู้สึกประหลาดสเตนลีย์ก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งอย่างเคร่งครึม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 มันยากยิ่งกว่าสูตรระเบิดนิวเคลียร์ของพวกคุณอีกนะครับเนี่ยเราเข้าใจในข้อนั้นครับหวังว่าทุกคนคงจะจำเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายของวันซืนที่ผ่านมาได้นะครับอีตอนที่เราผ่านทุ่งแฝกจะบ่ายหน้ามายังเทือกเขาแห่งนี้ตอนนั้นควายป่าหรือมหิงสาฝูงใหญ่หลายร้อยตัววิ่งด้วยอาการแตกตื่น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 แต่คุณก็ยังตอบเราไม่ได้ในขณะนั้นหรือไม่อยากตอบก็ไม่รู้สิเบนเป็นคนพูดระพินก้มศีรษะลงนิดหนึง่งดีครับที่คุณจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้เระพักคาถามในข้อที่ว่าควายป่าเหล่านั้นแตกตื่นตกใจอะไรไว้ซะก่อนคราวนี้มาย้อนลําดับภาพของเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่เราไต่ขึ้นสู่ยอดเขา เนื้อปีของอินทรีลูกนี้ทุกคนบ่นกันว่าร้อนร้อนอย่างผิดปกติแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆถูกต้องไหมครับอืมถูกต้องแม้กระทั่งตกค่ำคืนตะวันรับฟ้าไปแล้วบนยอดเขาสูงที่เราปีงขึ้นมาถึงแม้จะมีข้าวทางด้านธรณีวิทยาว่าเขาลูกนี้น่าจะเป็นภูเขาไฟ ที่มีลาว่าก่อตัวอยู่ข้างล่างก็จริงแต่มันก็ยังมีความร้อนอบอ้าวผิดปกติไปอยู่ดีนั่นแหละเพราะมันยังไม่ได้เป็นภูเขาไฟที่กำลังระ อ, อุยังจะต้องใช้เวลาอีกนับหมื่นหมื่นปีกว่ามันจะเป็นภูเขาไฟเต็มสภาพอันพร้อมที่จะระเบิดพ่นลาว่าออกมาได้บนนี้ที่เราพบเราก็พบแต่เพียงบอกโคลนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเท่านั้น ยังไม่ถึงกับหินหลอมละลายและถ้าเราสัมผัสกระโคลนเหล่านั้นเราก็สัมผัสได้แต่เพียงว่ามันแค่อุ่นๆเท่านั้นไม่ถึงกับร้อนจนแตะต้องไม่ได้มันจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้บรรยากาศบนนี้ร้อนระอุเชจนเราแทบทนกันไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งอื่นที่เราค้นยังไม่พบเข้ามาแฝงซ่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนที่หมดแสงตะวันไปแล้ว ทุกคนยอมรับอีกไหมในข้ออันน่าสังเกตนี้สแตนลีคีธอิสเบอร์คริสและเชิร์ดบุตงันไปขนาดจิตแล้วทั้งห้าคนก็ยอมรับในโดยดุษณีอื ม, มันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระพินนายคีธพยักหน้างึกๆงึกผมจะมาถึงบทสรุปแล้วล่ะนะ เขากล่าวช้าๆอย่างระมัดระวังตัวผมเองมีความแปลกใจไม่น้อยไปกว่าพวกคุณมาตั้งแต่เห็นฝูงควายป่าเล่นตะเลิดหนีมาทั้งขยุงนับร้อยๆตัวนั่นแล้วละ่ะว่ามีอะไรทําให้เจ้าสัตว์ที่ไม่เคยกลัวอะไรเลยจะต้องเพนปาราบกันทั้งฝูงแบบนั้นมันจะต้องพบฤกรษรสากับกลิ่นของอะไรที่มันกลัวและมีอานาจอยู่เหนือมัน แน่ๆสิ่งนั้นเราสมมุติกันว่าเป็น x ก่อนก็แล้วกันผมพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรกับพวกคุณมากนะในเรื่องนี้พยายามคิดปลอบใจตัวเองว่ามันน่าจะเป็นเหตุบังเอิญอะไรสักอย่างที่เราไม่จำเป็นจะต้องสนใจนะแต่แล้ววันนี้ ที่เราไต่เขานกอินทรีขึ้นมาความร้อนจากทิศวีขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งในเวลากลางคืนที่ตะวันลับฟ้าไปแล้วเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผมต้องคิดหนักเพราะก็อย่างที่เรายอมรับกันแล้วว่าภูเขาลูกนี้ทําท่าว่าจะเป็นภูเขาไฟในอนาคตอีกยาวไกลแต่ไม่ใช่ในขณะ น, นี้มันไม่ควรจะมีไอระอุผิดสังเกตไปถึงขนาดนั้น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 สาเหตุที่ห้ามอย่างนั้นก็เพราะประสาทรับรู้ส่วนที่หกของผมมันเตือนผมแล้วว่าบนนี้น่าจะมีสิ่งอันเป็นมหันตภัยที่จะจู่เขาเล่นงานพวกเราทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมไม่ต้องการให้ทุกคนมีคำถามหรือมีวิตกกังวลอะไรก็เลยไม่ได้ปริบากบอกออกไปผมเพียงแต่เรียกคะนนคีดเข้ามาเตือนเท่านั้นว่า บ, บนนี้ ขอให้เราปฏิบัติตัวกันให้สงบเสงเเหน่งเรียบร้อยอย่าใหม้มีสิ่งอันไม่สมควรเกิดขึ้นแล้วก็ให้คิดไปเตือนคุณเชิดวุตรด้วยอีกคนหนึ่งผมจะไม่พูดแล้วว่าผมเตือนคิดว่ายังไงแต่ความหมายในการเตือนน่ะก็เพราะผมถือในโชคลาภถือในพิธีกรรมหรือพวกคุณจะเรียกว่ามนุ์มืดก็ได้ที่ผมจะต้องประกอบขึ้นเพื่อขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ให้ช่วยคุ้มกันภัยให้พวกเราเมื่อเขาพูดมาถึงตอนนี้อิซาเบลคริสและสแสตลีหันขวับไปทางคีด ท, ทันทีถามเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คิตรับบินเขาเตือนอะไรไนายนายผมทรงลานบินเบปากยักไหลนิดนึงบอกห้าวห้าวมาว่าใช่ก็เรียกฉันไปเตือนจริงๆ แต่อย่าเพิ่งให้บอกเลยว่าเขาเตือนว่ายังไงฟังเขาพูดต่อไปดีกว่านะเอย่าเพิ่งถามอย่เพิ่งถามแล้วระพินก็เริ่มเล่าชา้าช้าตอนนั้นทุกคนดูเหมือนจะนอนหลับกันหมดแล้วนะครับผมเข้าสมาธิในพิธีกรรมของผมมันอาจจะเป็นสิ่งเหลวไหลไร้สาระดูหน้าขบขันสําหรับพวกคุณแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมถือปฏิบัติย้ำว่ารู้สึกตัวว่า ต้องเผชิญหน้าอยู่กับอันตรายลี้ลับซึ่งอันตรายนั้นมีมาหิดที่อำนาจเหนือกว่าที่ผมจะใช้วิชาพรานตามปกติเข้าจัดการแก้ไขได้ในการเข้าสมาธิเพื่อขอเปิดโลกอันลี้ลับตามหลักเกณฑ์ที่ผมได้ศึกษาร่าเรียนมาผมมองเห็นอะไรชนิดหนึ่งหมกตัวสงบนิ่งอยู่ในบ่อโคลนเดือดอันเปรียบเหมือนที่ซ่อนของมัน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 สาขาชีววิทยาที่เจริญแล้วคนพบแต่สำหรับผมเองผมเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับสัตว์ที่มีอำนาจเหมือนในเทพนิยายมาก่อนจากผู้ที่มีฌานสมาบัติชั้นสูงระดับพระอริยบุคคลที่เคยเป็นครูบาอาจารย์ของผมมาท่านบัญญัินามของสัตว์อันลี้ลับนี้ไว้ว่าสางหา ลักษณะก็เป็นเหมือนอย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละแล้วก็อย่างที่คริสบุญคำแล้วก็จันได้เห็นมกตาแล้วนั่นแหละสังหาอเมริกันทุกคนอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันครับใช่ตัวสังหาพวกคุณอยากให้ผมจัดประเภทหรือเรียงลำดับตระกูลว่ามันเป็นสัตว์โคตรพันใด เ็าบอกแล้วว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกสิบชาติก็อาจไม่มีโอกาสได้พบมันก็เหมือนกับครุดพญานาคและกษัตริย์พิสดารในเทพปกิรน้ำต่างๆผมจะเทียบให้พวกคุณเข้าใจได้ไ ง, ง่ายๆเข้าอย่างเช่นตัวสฟิงซ์ซึ่งร่างกายเป็นสิงโตหน้าเป็นมนุษย์เช่นที่ชาวไอยคุปปั้นไว้ให้เฝ้าหน้ามหาพีระมิดทานองนั้น รัศมีจากตอมพิเศษประจำตัวของมันคือความร้อนอบอ้าวผิดปกติที่เราได้รับกันทั่วทุกคนผู้รู้เคยได้บอกกับผมว่าผู้ซึ่งมีชาเหนือโลกเท่านั้นที่จะได้พบเห็นได้แต่ใครก็ตามที่เป็นบุคคลธรรมดาถ้าพบเห็นเข้ากระยัในโลกของมิติที่สี่ชนิดนี้เข้าเมื่อไหร่ก็ย่อมหมายถึงมรณะการแน่แท้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 จะเนื่องมาจากสารเคมีในตัวของมันหรือจะเป็นรังสีปรมาณูอะไรผมก็ขอละไว้ให้คิดกันเองถ้าต้องการจะคิดแต่สำหรับผมไม่ต้องการพิสูจน์แยกแยะออกมาเพื่อแสวงหาข้อมูลในเรื่องนี้ล่ะครับในมโนทวารึกกระแสจิตที่ผมส่งออกไปนะ่ะสัมผัสได้กับตัวมันรู้ว่ามันหมกอยู่ในบ่อโครนใกล้ๆ ก, ลกับที่เราขึ้นมาพักกันน่ะ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 แต่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าพรุ่งนี้เราก็จะผลักออกจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดเพื่อหลบให้ห่างส่วนในปัญหาที่ว่าหากคืนนี้มันผุดโผล่ขึ้นมาเราจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่พวกเราพินาศกันทั้งหมดผมนั่ไม่ใช่พ่อมดหมอผีหรือว่าจะเป็นผู้วิเศษใดๆทั้งสิ้นแต่ผมมีธรรมะกับสัจจ์เป็นสิ่งคุมตัว ผมได้แผ่เมตตาไปให้แกสัตว์มหัสัจจันต์ตนนี้ซึ่งจะเป็นมัจยุราสสำหรับพวกเราทุกคนขอพรจากเทพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกให้ช่วยมาปกครองปกปักรักษาพวกเราทุกคนไว้ถ้ามันขึ้นมาจากบ่อคโคลนก็ขอให้มันเลือ้อยละไปที่อื่นซะหรือมิฉะนั้นก็ขอให้มันอยู่เฉพาะในบ่อคโคลนแหล่นั้น จนกว่าเราจะห่างพ้นออกไปเพราะขยับขยายไม่ได้อีกแล้วเมื่อกระทำพิธีเสร็จผมก็เข้านอนแต่แล้วตกดึกบุญคำก็มาปลุกผมบอกว่าคริสติน่าเดินออกจากที่พักบ่ายหน้าไปที่บอกโครนั่นห้ามก็ไม่ฟังผมจึงลุกขึ้นเดินตามออกไปแต่ขณะนั้นผมไม่ได้บอกอะไรกับคริสก เพราะเธอบอกว่าเธอนอนไม่หลับและอยากจะออกมาพิจารณาดูบอกรนประหลาดนั่นผมจึงจาเป็นต้องอยู่เป็นเพื่อนส่วนบุญคำและจันก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่ได้ไปไหนระวังตัวพร้อมอยู่เหมือนกันในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่นอนหลับกันอยู่บนแคมป์นี่ผมยืนคุยอยู่กับคริสตรงแหลง่งอันตรายขีดสุดนั่นไม่เกินสิบห้านาทีแล้วมะ ไอตัวมหาประไลยนั่นก็โผล่ตูมขึ้นมาผมไม่มีทางจะทำอย่างอื่นใดทั้งสิน้นนอกจากจะใช้อำนาจจิตเท่านั้นที่จะต่อต้านกับมันบุญคำกระจันวิ่งร้องโวยวายตรงเข้ามาผมก็ฝากให้เอาคริสเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในซอกหินเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นก็เป็นธรรมชาติในการหลบภัยของมนุษย์ซึ่งผมในขณะนั้น ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหลีกมันพ้นไปได้หรือไม่มีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเป้าล่อให้มันเห็นแล้วผมก็สั่งคริสบุญคำและกระจันไม่ให้ยิงริชายไฟใดๆทั้งสิ้นเพราะมันปราศจากประโยชน์ถ้าไปแสดงตนเป็นศัต ร, รูทำให้มันเจ็บหรือกรูดแค้นเราวก็มีแต่ทางตายอย่างเดียวเท่านั้นผมรู้ว่าสัตว์ประเภทนี้ไม่ใช่สัตว์ธรรมดา การประจันหน้ากันอย่างกระชั้นชิดไม่มีอะไรจะทำให้เรารอดได้นอกจากประการเดียวเท่านั้นคือการแผ่เมตตาไม่แสดงตนเป็นศัตรูและก็เอาโชคเคราะห์ของตัวเราเองเข้าเสี่ยงเป็นเดิมพันถ้าถึงคราวเคราะห์ของเราเราก็ถูกเล่นงานแน่แต่ถ้าไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันมาก่อนมันก็อาจจะหลีกทางให้โดยไม่ทำอันตรายใดๆ ระหว่างที่คริสไปซ่อนตัวอยู่ในซอกหินกระบุญคำและจันผมก็นั่งสวดมนต์ภาวนามันชะโงกขึ้นมาดูผมและผมเองก็คิดว่าครั้งนี้ก็คงจะเป็นคราวแตกดับของผมนี้แลละแต่ก็พยายามวางใจให้แน่วนิ่งสวดแผ่เมตตาอยู่เช่นนั้น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 เมื่อตอนที่พวกคุณหามกันขึ้นมาแก้ไขอยู่นี่แหละผมพอใจที่สุดแล้วที่ตัวผมเองก็ไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงอะไรนอกจากเป็นลมพับไปชั่วระยะเวลาสั้นๆและพวกเราทุกคนก็ไม่เป็นอะไรกันเลยโดยเฉพาะคริสบุญคำและกระจันซึ่งอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ในตอนนั้นมากที่สุดก็นี่แหละครับ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 เบลทำอาเมนริมฝีปากขมุบขมิบเหมือนจะสวดอะไรแล้วเงยขึ้นไปบนท้องฟ้าเชิดวุฒกำหลวงพ่อทวดที่ห้อยคออยู่แน่นคริสติน่าพูดไม่เป็นซละในตอนนี้เหมือนคนบ้ายนั่งดวงตารีซึมอยู่ส่วนคิดกับสแตลีหันไปพูดอะไรกันซุบซิบไม่มีใครยิ้มหรือหัวเราะ อ, ออกเลย เรากำลังเดินทางหาระเบิดนิวเคลียร์ระพินแต่เราก็พบเอาสั์นิวเคลียร์เข้าซะ ก, ก่อนแนละ้ความจริงสัตว์ชนิดนี้มันน่าจะมาจากดาวพระเคราะห์ดวงอื่นนะอะไรก็ไม่น่าแปลกประหลาดเท่ากำลังสีความร้อนในตัวมันสแตนลีกล่าวขึ้นแผ่วเบาพ่านใหญ่ยิ้มจิตจืดครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาจากดาวพระเคราะห์ดวงไหน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 ถ้าอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกัมมันเมื่อไหร่คลื่นวิทยุ ข, ของเราก็ใช้การไม่ได้เลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตก็คือพอมันเคลื่อนย้ายไปจากบ่อโครนนั่นแล้วอากาศบนยอดเขานี่เปลี่ยนจากความอบอ้าวมาเป็นเย็นสดชื่นตามธรรมชาติปกติของยอดเขาสูงทันทีทุกคนรู้สึกกันบ้างไหมครับโดยคาพูดของเขา คณะทั้งหมดเพิ่งจะมารู้สึกสัมผัสได้กับสภาพของอากาศรอบกายในขณะนี้ว่าเย็นชําเหมือนอากาศบนยอดเขากลางป่าสูงทั่วๆไปซึ่งก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะกลายเป็นความหนาวเยือกไปทีเดียวหากเวลาล่วงผ่านไปอีกจนกว่าตะวันจะขึ้นทําให้สภาพมันเคยร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนขึ้นมาถูกย่างอยู่เหนือเตาไฟขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ คนสูดอากาศเข้าปอดลึกและเหลียวมองอย่างปราศจากความหมายไปรอบๆตัวท่ามกลางความสลัวรางของแสงเดือนเสียงหัวหน้าคณะพึพมพำออกมาว่าจริงตามที่คุณบอกนะนี่เราเพิ่งจะมาเฉลียวคิดรู้สึกได้เดี๋ยวนี้เองอากาศบนนี้ตอนนี้มันเย็นสบายดีเดียวทั้งยังกำลังทำท่าจะหนาวเยือกเอาซะด้วย เอออะไรต่ออะไรนี่ดูมันมหัสรจันแปลกประหลาดพิสดารไปหมดจริงๆระพินคุณคิดยังไงต่อไปเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่มีอันตรายที่สุดตัวเนี้อิสเบลนถามขึ้นด้วยเสียงแผ่วเหมือนกระซิบผมก็คิดภาวนาอยู่อย่างเดียวแหละ ว, ว่าขออย่าให้พวกเราพบพานใกล้ชิดกับมันอีก แลวคุณว่าเรามีโอกาสพบเห็นมันอีกไ้มเนี่ยและถ้าพบจะทำยังไงคราวนี้นายคิดถามขึ้นบ้างโดยอาการไม่ปลอดโปร่งใจเป็นอย่างยิ่งจอมพรานยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าอีกครั้งเรื่องนี้นะผมไม่ได้คิดหรือจัดเตรียมอะไรทั้งสิน้นเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดเหนือกฎเกณฑ์ของสัตว์โลกในสารระบบชีววิทยาตนนี้ แต่ผมมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าภายหลังจากที่มันได้สัญเดงตนให้เราได้พบเห็นแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําอันตรายอะไรพวกเราเช่นนี้ต่อไปก็จะไม่หวนกลับมาให้เราได้เห็นอีกคือมันไปตามทางของมันเราก็ไปตามทางของเราไม่มีบาปมีเวรอะไรที่จะต้องมาจะจ้องจองล่างจองผลาญกันผิดกระเภทภัยอื่นๆที่เราเคยพบกันมาแล้ว แล้วผมก็ไม่ต้องการให้พวกคุณวิเคราะห์ค้นหาที่มาแหล่งกําเนิดธรรมชาติวิสัยการเป็นอยู่ของมันด้วยก็บอกแล้วว่ายัางไงมันก็เป็นสัตว์เหนือกฎเกณฑ์ที่เราเคยรู้จักผมจะไม่พูดหรืออธิบายอะไรเกี่ยวกับสัตว์ตัว น, นี้พวกคุณฟังเลยถ้าฝ่ายผมเผชิญหน้ากับมันตามลาพังแต่นี้บังเอิญว่ามีคริสร่วมรู้เห็นอยู่ด้วยและขณะที่มันผุดโผล่ขึ้นมาทางพวกคุณส่วนมาก แม้จะไม่เห็นตัวก็ยังได้ยินเสียงของความโกลาหลชุลมุนที่ผมคริสและก็พรานของผมมีสองคนเผชิญหน้ากันอยู่ด้านล่างใกล้ๆบอ่อโคลนนั่นพรานใหญ่ตอบอย่างอัดลำบากใจเอาละผมเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคุณในขณะนี้ดีอะด็อกเตอร์สแตนลีย์กล่าวขรืงขึง คุณไม่ต้องการให้พวกเราแสวงหาข้อพิสูจน์เราก็จะปฏิบัติตามคุณเพื่อให้คุณสบายใจแต่นี่มันก็เป็นความจริงที่เรารเผชิญมาไม่ใช่ความฝันร้ายแต่ผมขอถามอีกสักนิดเถอะในการเดินทางไปเทือพระศิวะครั้งก่อนของคุณพวกคุณและนายจ้างเคยพบกษัตริยว์ประตลา ด, ลาดไม่สามารถค้นหาข้อพิสูจน์ได้เหมือนอย่างที่เราพบกันนี่มั่งไหม รพินฝืนยิ้มตอบด้วยน้ำเสียงเรียบปกติของเขาเราพบพเผชิญกันมามากมากซะจนสุดที่จะอธิบายได้แล้วครับเพราะคุณทราบได้ในแต่ละสิ่งและเราก็บุดวิดเอาชีวิตกันไม่รอดนับครั้งไม่ถ้วนต้องแก้ไขหลบหลีกปัญหาเฉพาะหน้าไปในแต่ละครั้ง ถ้าผมเล่าเน่ะจ็ดวันเจ็ดคืนก็คงไม่จบสิ้นในสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่เราพบนรกดำน่ะเป็นสิ่งที่ดำและมืดสนิกจริงๆมิฉะนั้นบีห้าสองของพวกคุณทั้งลำคงจะไม่สูญหายไปชนิดหาร่องรอยทางอากาศไม่พบหรอกครับกระพิงขอถามโง่ๆสักประโยคเถอะนะ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 ทุกคนในคณะของผมเนะ่ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีเยี่ยมผมเตือนสั่งเขายังไงเขาก็ปฏิบัติตามโดยไม่นอกลู่นอกทางพวกเขาทุกคนมีความสามารถแล้วเชื่อในสิ่งเหนือโลกที่ผมเอ่ยถึงมาแล้วนี่มีความรักสามาัคคีแล้วสื่อสัตย์สุจริตต่อกันรวมชีวิตของคณะทั้งหมด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 พวกเราลำบากยากแค้นทรมานกันจนเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวผมเองบอกตรงๆครับว่าเข็ดหลาบในนรกดำแหล่งนี้ไม่คิดที่จะย้อนกลับเข้ามาอีกเลยแต่เขาหยุดชะงักคำพูดลงเพียงแค่นั้นพร้อมกระถอนใจยาวคุณพินสมมุติผมบอกกับคุณว่าพวกเราทั้งหมดเปลี่ยนใจแล้ว และพร้อมที่จะเดินทางกลับหลักสแตนลีย์เอยแพลวตําจ้องหน้าเขาขม็่งอย่าเลยครับโปรดอย่าทดสอบหรือทดลองใจผมด้วยคำถามแบบนี้เลยด็อกเตอร์เสียงของรรบพินเบาเรียบก็จริงแต่เฉียบขาดหนักแน่นนี่คือสัตว์จากอีกชนิดหนึ่ง ที่ผมถือมั่นมากในการเป็นมักคุเทศเดินป่าของผมถ้าไม่รับงานก็จะไม่รับเชแต่แรกเลยแต่ถ้ารับแล้วถ้ายังไม่สำเร็จรู้ผลแน่นอนผมไม่มีวันถอยหลังหรอกพวกคุณสบายใจได้ครับให้ตายหาเถอะพวกเราไม่ได้สบายใจอะไรเลยนะเนี่ย คิดโผงออกมาดังๆหน้าตายุ่ยี่โดนก็แค่สามสี่วันที่ออกเดินทางมากรคุณน่ะก็แทยจะหมดกำลังใจแล้วแต่เราไม่รู้จะถอยได้ยังไงในเมื่อเราได้รับคำสั่งมาแล้วมันก็เหมือนทหารที่เขาสั่งให้เข้ารบนั่นแหละมองเห็นความตายชัดรออยู่ข้างหน้าแต่ก็ต้องเดินเข้าใส่รับพินยกมือให้จับ ถ้าเช่นั้นคุณก็เลือกทหารแท้และผมก็ขอคารวะน้ำใจที่ไม่มีใครขาดกลัวจนถึงกับจะละทิ้งหน้าที่ซึ่งแต่ละคนได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีผมแดงกับผมสีทองสองคนนี่ซึ่งก็เป็นแต่เพียงผู้หญิงเงียบกริบกันไปหมดอีกครั้งชั่วขณะใหญ่ทีเดียวเบนนั่งคอแข็ง หน้าซีส่วนคริสติน่ากอดเขาเอาหน้าซุขอยู่กระซอกเขาทั้งสองจะมีก็แต่ในตาสีฟ้าเท่านั้นที่ทอดนิ่งมายังเขาแม้บรรยากาศบนยอดเขาอินซีจะเยือกเย็นลงแล้วแต่ทุกหัวใจยังอยู่ในภาวะร้อนรุ่มกระวนกระวายอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใครบ้าง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 ยังไม่ยอมแสดงท่าทีว่าจะย่อท้อถอยกลับและพวกเขาจะถอยกลับได้ยังไงและบัดนี้อยางเมื่อนั่งประจันหน้าแหลตากระพริบกันปริบ ป, ปริบอยู่เช่นนี้ต่างฝ่ายต่างก็ยังซึ้งถึงจิตใจซึ่งกันและกันดีที่สุดการถือเขาถือเราแบ่งชั้นแบ่งฝ่าย มันสลายหมดสิ้นไปแล้วแม้กับพวกลูกหาบทุกคนที่มาด้วยก็ตามรบพินในที่สุดอเมริกันอาวุโสหัวหน้าคณะก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นมั่นคงพวกเราทุกคนจะพยายามอย่างที่สุดที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะนายจ้างเก่าของคุณ โดยไม่แหกข้อแหกเหล่าออกไปเลยคุณให้คำแนะนำตักเตือนสั่งสอนยังไงเราจะรับฟังและปฏิบัติตามและนับแต่นี้เป็นต้นไปไม่มีคำว่าลูกจ้างหรือนายจ้างทุกชีวิตที่มาด้วยกันนี่จะห ล, ล่อหลอมเข้ามาเป็นชีวิตเดียวกันและผมขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเสยเดียวนี้เลยว่า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 เมื่อเราได้ออกเดินทางมาตากุณนี่แหละว่ามันมีความหมายมากสำหรับคำนี้ถูกต้องนายคิดจอมวยยืนยันคำอีกคนด้วยเสียงห้าวกังวานการทำงานครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่แค่ไหนก็ตามแต่เราทั้งหมดที่มาด้วยกันนี่จะคงความเป็นเพื่อนตลอดไปตราบชั่วชีวิต ไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าวิถีทางจะทำให้เราต้องแตกแยกทางพัดพลาดกันไปเช่นไรก็ตามถ้าหากได้มาพบกันอีกไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างใดก็ขอให้รู้ว่าเราคือเพื่อนตายกันตลอดไปเราทุกคนไม่ได้นับถือเฉพาะฝีมือคุณเท่านั้นแต่ยังนับถือน้ำใจด้วย เกรซแมนขอบคุณครับขอบคุณนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการจากพวกคุณแต่ไม่จำเป็นจะต้องให้เกียรติยกย่องอะไรผมทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อะไรเลยก็แค่พรานรับจ้างเดินป่าธรรมด า, รรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแล้วผมจะแก้ปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปลำพังคนเดียวก็ย่อมไม่ได้หรอกจะต้องอาศัยความสามารถ ความร่วมแรงร่วมใจของพวกคุณแต่ละคนเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนช่วยเหลือด้วยเหมือนอย่างที่ผมเคยได้รับมาแล้วล่ะครับจอมพลานตอบอย่างสำรวมแล้วปัดแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาข้อมือพร้อมทั้งแหงนขึ้นสังเกตจันแรมที่กำลังจะรับเหลี่ยมเขาทางด้านตะวันตกกล่าวต่อไปว่าหรือเวลาอีกสองสามชั่วโมงก่อนตะวันจะขึ้น ขอให้ทุกคนนอนหลับกันให้สบายแล้วกันเอาแรงไว้พรุ่งนี้ขอรับรองครับว่าก่อนสว่างจะไม่มีอะไรแพร่พานเข้ามาที่นี่ได้อีกแล้วกล่าวจบเขาก็สะบัดแขนขาไปพร้อมทั้งลุกขึ้นยืนหันไปร้องสั่งบรรดาพรานทั้งสี่และพวกลูกหาบทั้งหลายที่เข้ามาราล้อมเป็นกลุ่มอยู่ให้พวกนั้นแยกย้ายกันไปนอนได้ คนเหล่านั้นต่างผลักกันออกไปอย่างมีวินัยดีเยี่ยมขณะนั้นเองก่อนที่รพัพินจะขยับตัวจากที่เพื่อเดินกลับไปยังที่นอนแห่งเดิมของเขาเบงก็ก้าวเข้ามาส ก, กัดหน้าไว้ถามเบาๆว่านี่คุณคุณแน่ใจนะว่าไม่รู้สึกผิดปกติอะไรก็รู้สึกผิดปกติไปบ้างเหมือนกันละ ปวดแสบร้อนตามผิวหนังหรือเคลื่อนเขียนวิงเวียนอะไรหรือเปล่าเปล่าที่ว่ารู้สึกผิดปกติก็คือคุณน่าไม่ใส่บราเสื้อที่สวมอยู่ก็บางมากซ้ำยังแบดุมเสื้อข้างหน้าเกิดจะโล่งตลอดอ่ะอิสเบรรีบตะครุบชายเสื้อบริเวณหน้าอกโดยเร็วอุทานออกมาว่าครสิใครใช้คุณมาสังเกตฉันโธคุณ ไม่ต้องสังเกตก็เห็นยุทนโธถึงไม่เห็นกับพระผู้เป็นเจ้าก็เห็นกับตัวคุณเองเถอะลูกหากทุกคนรวมทั้งพรานของผมล้วนเป็นผู้ชายทั้งนั้นทุกคนก็หางลูกหากเมียมาเดินป่ากันดานผมนั้ไม่อยากทําอะไรรุนแรงกับพวกเขาหากว่าพวกเขาจะรุมกันขมขืนคุณสักโอกาสหนึง่งซึ่งก็มีหวังมากเะด้วยเพราะเซ็กแอปพลิออนของคุณน่ะขอจํากัดแวดวงชนิดนี้อยู่เพียงคีตุเชิดบุตรสองคนก็แล้วกัน อย่าให้มันล่วงเลยไปถึงพรานหรือลูกหาบคนใดด้วยเลยคำพูดนั้นได้ยินกันเพียงแค่สองต่อสองเท่านั้นเพราะเบามากแล้วผู้พูดก็เดินจากไปอย่างง่ายๆอิสเบรนาแดงเข้มกำมือแน่นร้องตะโกนไล่หลังแหลมปริ y ย u ซานอฟาก่อนประโยคสุดท้ายของหล่อนจะหลุดพ้นปากออกมา ฝ่ามือของใครคนหนึ่งก็ทะลันพรวดเข้ามายืนอยู่เบื้องหลังก็ตะครุบ ป, ปากไว้อย่างมั่นคงจนไม่มีเสียงที่จะผ่านริมฝีปากออกมาได้ผู้นั้นคือคีดนั่นเองเสียงกระซิบต่ำๆมาว่าจะด่าเขาเบ้ยรับพินนั้นก้าวออกเดินไปได้สี่ห้าก้าวแล้วบัดนี้หยุดชะ ง, งักกึกเหมือนจะรอฟังเสียงที่แหลมไล่หลังมาให้จบประโยค อึดใจหนึ่งที่เบลดินฮึดฮัดอยู่ในปลอกแขนของคีดผู้เข้ามาอุดปากและล็อกตัวไว้เขาจึงก้าวเดินต่อพอดีกับที่เบลเวียงคีดหลุดออกไปได้หล่อนก้มลงคว้าก้อนกรวดขนาดกาปั้นเงื้อขึ้นคว้างเต็มหลังตามหลังไปก้อนหินก้อนนั้นเฉียดศีสารพินไปแค่คืบเดียวเลยไปกระทบโคถิน ด, ดังช์ดสนั่น สุภาพบุรุษไพรเดินเฉยในสภาพปกติของเขาเสียงเบีเอ็ดตะโกนลงเลงอะไรลั่นแต่แล้วก็ถูกคิดลากตัวมานั่งหอบอยู่ในกลุ่มของตนตาลุกวาวอย่างโกรธจัดหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนจะทำอะไรให้ได้สักอย่างแต่แล้วก็ชะ ง, งักนิ่งไปยกมือเสยผมตาประหลับประเอกเมื่อเสียงต่ำๆของหัวหน้าคณะถามมาว่า อะไรเกิดบ้าอะไรขึ้นมาล่ะเบคุณหยาบคายเจ้าราวดูมีนฉันทั้งทั้งที่ฉันน่ะเป็นห่วงเขาทําไมไม่ลงนรกไปสิรู้แล้วรู้รอดในะอีคนคนเนี้อะหล่อนพูดเสียงหอบอก็ถ้าเขาลงนรกพวกเราก็คงต้องลงไปด้วยอย่าเหลวไหลเป็นเด็กเป็นหน่อยเลยเบียรนอนนอนใช่นอนเนะ สตลลีพูดเรียบเรียบแต่สายตาที่มองมาเป็นแววตำหนิเมื่อนั้นอิสเบนจึงเอนกายลงนอนหน้าบึง้งหายใจหนักหนักยังขัดข้องคุณเคืองใจ